ตอนที่ 13, สิบสามเสด็จกบิลพัทเมื่อพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดาทรงทราบข่าวว่าบัดนี้ พระโอรสได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงส่งคนเดินข่าวไปทูลพระพุทธองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพระชรามากแล้วนั้นขอร้องให้เสด็จไปเพื่อจะได้มีโอกาสเห็นพระองค์สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นพระชนแต่บังเอิญที่คนเดินข่าวไปถึงเป็นขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนอยู่เขาจึงนั่งรอไปด้วยฟังไปด้วย ความจริงแท้ความไพเราะอย่างอัศจรรย์นั้นนำความพอใจและปลาบปลื้มมาสู่ตัวเขาจนเขาลืมกระทั่งว่าเขาเป็นคนเดินข่าวที่รับรับสั่งมาดังนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นแล้วแทนที่เขาจะทูลแจ้งข่าวเขากลับเข้าขอบวชเป็นภิกษุและอยู่อาศัยฟังธรรมของพระองค์สืบไปพระเจ้าสุดโททนะ ทรงคอยอยู่เป็นเวลานานม่ได้เห็นคนเดินข่าวกลับมาทรงส่งชุดใหม่ไปอีกและให้สืบถามข่าวคนชุดแรกด้วยแต่คนชุดสองนี้ก็เงียบหายไปเช่นเดียวกันทรงเพียนส่งไปอีกเป็นชุดที่สามที่สี่จนถึงครั้งที่9ก้าก็เป็นไปในทำนองเดียวกันทั้งสิน้นพระเจ้าสุทโธทธนะทรงประหลาดพระทยเป็นอย่างยิ่ง ที่คนเดินข่าวไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่คนเดียวจึงรับสั่งให้พระนางยะโสธราลองส่งข่าวของพระนางเองไปบ้างผลก็เป็นเช่นเดียวกันส่งไปกี่คนกี่คนก็ไม่ได้มีผู้ใดกลับมาจนพระนางเองก็หมดความสามารถเช่นเดียวกันพระเจ้าสุโธธนะระลึกขึ้นได้ว่าพระโอรส เคยมีเพื่อนเล่นคนโปรดเมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งชื่ออุทายิหากทรงส่งไปทูลอาราธนาก็คงอาจทำให้พระพุทธองค์เสด็จมาสู่นครกรบิลพัทดได้สำเร็จเพื่อให้พระบิดาพระชายาและพระโอรสของพระองค์ตลอดจนประชาชนพลเมืองได้เห็นพระพักบ้าง เมื่ออุทายิได้มาถึงนครราชครือแล้วเพียงแวบเดียวที่ได้ยินเสียงพระพุทธองค์เขารู้ได้ทันทีถึงสาเหตุที่คนเดินข่าวเหล่านั้นไม่กลับคืนไปแม้แต่คนเดียวเขาไม่ยอมฟังพระธรรมเทศนานั้นต่อไปอีกด้วยเกรงว่าเขาจะเป็นอย่างเดียวกับนักเดินข่าวคนก่อ น, อนเมื่อรอจนจบแล้ว เขาจึงได้เข้าไปถวายความเคารพอย่างสูงสุดแล้วกราบถูนว่าระบิดาระชายาและพระโอรสพร้อมทั้งชาวกบิลพัททั้งปวงมีความร้อนใจและกระหายใคร่จะได้เห็นพระองค์และหวังในความกรุณาของพระองค์ว่าจะโปรดเสด็จไปเยี่ยมโดยด่วนเมื่อพระพุทธองค์ทรงตอบรับด้วยพระเมตตาแล้วอุทายิ จึงรีบกลับไปกราบทูลพระเจ้าสุดโททนะให้ทรงทราบว่าพระสิทธัตถะในการก่อนบัดนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวโลกแล้วและจักเสด็จมาสู่นครกบิลพัทเพื่อกระทําหน้าที่ที่บุตรจักต้องทําตอบแทนแก่บิดาในไม่ชานี้ทุกคนในนครกบิลพัทนับแต่พระราชาลงไป ลวนตื่นเต้นโสมนัสเป็นที่ยิ่งประชาชนต่างทําความสะอาดถนนทุกสายและประดับประดาบ้านเรือนด้วยพวงดอกไม้ด้วยธงและผ้าสีต่างๆอย่างสวยงามให้สมกับความระลึกของเขาที่มีต่อพระราชกุมารที่ได้จากพวกเขาไปเป็นนักบวชผู้ยากไร้ถึงหปีและบัดนี้ได้ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ ไม่เป็นเพียงพระศาสดาของมนุษย์เท่านั้นยังทรงเป็นศาสดาของเทวดาทั้งหลายอีกด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือพระองค์กำลังนำข้อธรรมที่ทรงบรรลุนั้นมาสั่งสอนพวกเขาในไม่ช้านี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนคนกรกบิลพั์ในเวลาเย็นวันหนึ่งจึงทรงประทับอยู่ในอุทยานภายนอกพระนครตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายรุ่งเช้าได้เสด็จเข้าไปบินธบาตตามถนนต่างๆในเมืองตามที่พระองค์เคยทรงกระทำเป็นปกติแต่เมื่อมีคนเข้าไปทูลข่าวนี้ให้พระเจ้าสุโธทนะทรงทราบ พ, พระองค์สลดพระทัยและทรงที่โรดยิ่งนัก รับสั่งให้รีบขับรถไปยังถนนที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินบิณฑบาตข้ามกลางประชาชนห้อมล้อมถวายความเคารพอยู่โดยรอบทรงตัดพอพระโอรสด้วยความขัดแค้นและน้อยพระไยว่าลูกเ อ, อ๋ยนี่หรือข่าวดีที่พ่อได้รับที่พ่อตั้งตาคอยลูกทิ้งพ่อทิ้งบ้านเมืองไปเพื่อกลับมาเป็นขอทาน อาศัยเขากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือในเมื่อลูกเป็นลูกของพระราชาทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้เป็นของลูกอยู่แล้วลูกเอ๋ยวันนี้ลูกได้ทาความอัปยศเสื่อมเสียให้แก่พ่อและราชวงศ์อย่างสุดแสนเคยมีครั้งไหนหรือที่วงตระกูลของเจ้าทาเช่นนี้เคยมีครั้งไหนบ้างที่พวกเราเคยเที่ยวขอทาน พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบพระบิดาว่าดูก่อนมหาราชนี่แลเป็นการกระทาที่วงตระกูลของอาตมาปฏิบัติมาแล้วอย่างแท้จริงพระเจ้าสุดโททนะทรงตรวาดด้วยความกริว้วเผ่าที่มนุษย์เขาจำกันได้วงตระกูลของเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทุกคนไม่เคยมีใครทำสิ่งที่น่าอดสูชเช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงตอบพระบิดาอย่างอ่อนโยนว่าอาตมาไม่ได้หมายถึงการสืบตระกูลแบบชาวโลกบัดนี้อาตมาถูกนับเนื่องเข้าในตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วในการก่อนๆซึ่งต้องปฏิบัติ ด, ดังนี้จึงจะถูกต้องและเหมาะสมระหว่างที่ทรงดําเนินไปสู่พระราชวังนั้น ทรงตรัสปลอบประโลมและยืนยันต่อพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พระองค์ได้นำเพชรพลอยอันมีค่าสูงสุดในโลกเกินกว่าจะตีราคาได้พระองค์ได้ทรงนำติดตัวมาด้วยเป็นอันมากแต่เป็นเพชรพลอยแห่งสัจธรรมที่สามารถนาคนไปสู่ความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระนฤพาน เมื่อถึงพระราชวังพระองค์ทรงสแสดงธรรมอันเป็นทางแห่งความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่ส่งค้นพบอย่างละเอียดจนพระบิดาและพระปยูรวงศ์ตลอดจนคนทั้งหลายเข้าใจได้ชัดเจนยอมรับในความเป็นพระาศาสดาของพระองค์และพากันรับธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์ตลอดไปในภายหลังต่อมา พระโอรสราหุนนั้นก็ได้ออกบวช ด, ด้วยเหมือนกัน